Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ฟังธรรมกันการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเราเนี่ยแหละเรื่องของเรามันก็เป็นสูตรนเดียวนั้นก็พูดกับทุกท่านพูดกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสูตรนเดียวถ้าพูดเราก็ถูกทุกท่านโดยเฉพาะเวลาในพวกเรามาเจริญสติการเจริญสติมันก็มีสูตรตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ีสติเห็นกายเอากายมาสร้างสติเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดสติสติคือความรู้สึกความระลึกได้ให้กายให้สติมันติดกันเอามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ประกอบเราต้องไปใช่ความคิดให้มีการกระทําให้มีการเป็นจิริยาที่กระทําจริงๆอะ่าไปคิดได้ความรู้ได้เหตุได้ผล อันนั้นมันเป็นภาษาอันหนึ่งภาษาของโรคใครก็รู้ทุกคนนันแหละทะรู้จาความคิดที่มีเหตุไม่ผลพวกเราก็มีแต่คนมีความรู้รู้ดีรู่ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแต่ว่าการปฏิบัติเน่มันเป็นตัวกระทําลงไปเป็นกิริยาที่กระทําให้ถึงเนื้อถึงตัวยิ่งไม่ีกายก็ต้องไม่มสติ การที่จะมีสติดูกายต้องมีส่วนประกอบตามหลักคำสอนว่ากายานุปัสนากายานุปัสนามีสติไปในกายไปในกายให้เห็นกายมันเป็นตัวเห็นตัวสัมผัสไม่มีคำถามถ้าเห็นแล้วไม่มีคำถามเช่นเราเอามือวางไว้บนเขาเราก็เห็นว่ามือวางไว้บนเขา่า รู้เห็นพบเห็นมันไม่ใช่คิดเห็นเหมือนกับความคิดการเรียนการสอนภาษาทางโลกมันเป็นการพบเห็น ม, มือของเราวางอยู่บนเขาน่าเ่ยก็ไม่มีคำถามเป็นตัวพบเห็นเขารู้สึกยกมือตั้งมือขวมมือพลิกมือเอื่อนไหวไปมาให้รู้รู้เห็นพบเห็น ให้มันคุ้นเป็นเคยในสติไปในกายเห็นกายทีแรกก็เห็นกายต่อไปก็เห็นกายในกายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายถ้าเห็นกายเฉยๆเอาตาดูเอาตาดูถ้าเห็นกายในกายเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะบางคนก็บอกเขาก็พูดออกมาว่าใครก็เห็นกายเนี่ย ทำไมจะไม่เห็นทุกคนก็เห็นกายถ้าไม่เห็นกายนะจะอยู่ได้ยังไงก็เห็นกาย น, นัน่นเป็นกายกายเนื้อไม่ใช่กายในกายกายในกายคือมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายในกายมันเป็นกายสองกายถ้ามันสุขบรรทุก์เรื่องของกายแสดงว่าไม่เห็นกาย เป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายความร้อนความหนาวคือตนเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายแต่ว่าถ้ามีสติไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายมันเห็นกายในกายเห็นกายในกายจนตอบได้ว่ากายนี่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ไปเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกาย ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ราะเรื่องของกายเพราะมันเห็นว่ามันเป็นกายสักว่ากายเนี่ยสูตรของมันมันเป็นอย่างไรสูตรของผู้เจริญสติเห็นกายมันก็ได้คำตอบมันเกิดการพบเห็นได้คำตอบไม่เป็นไม่ไม่มีตัวมีตนในกายเห็นเป็นกายตัวากายในกายมันก็ได้ทาง สติได้ทางอยู่บนกายถ้าเรื่องของกายมีทางออกมีทางออกพบทางในกายพบทางเห็นกายในกายแต่ก่อที่เราไม่สุขในทุกข์ของกายเรื่องของกายเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เยอะแยะเอามาเป็นอะไรมากมายเรื่องของกายตั้งอยู่บนกายต่อไปถึงกิจหรือว่ากายในกายมีสติเห็น ไม่ใช่ความคิดนะไม่ใช่พูดให้คิดว่าแต่มีสติมันจะเห็นอย่างนี้หายไปทางนี้เห็นทางอยู่บนเห็นลอยเห็นลอยเดินอยู่บนกายเหมือนเราเดินอยู่บนแผ่นดินเราเดินจงกรมในป่าในที่ไหนถ้าเราเดินสองรอบสามรอบก็เห็นเป็นทางเห็นเป็นทางต่างเก่าที่เรายังไม่เดิน มันเป็นทางแล้วก็เดินคล่องเดินง่ายแต่เดินไปจนเกลี้ยงจนเกาจนะสะอาดแม่แต่มดเดินผ่านมาทางที่เราเดินใบไม้จิงไม้ตกลงไปเราก็เห็นเราก็เห็นสมัยกอนได้เดินจงกรมทางเดินจงกรมไม่ต้องจุดตะเกียงสมัยเป็นหนุ่ม เพราะเห็นเป็นทางอะไรมันขวางทางก็รู้ทันทีเป็นไส้เดือนเป็นงูเป็นมแมลงอะไรก็ตามมบหญ้าอะไรก็ตามที่มันโลดลงมาพราะเราเห็นมันไม่ใช่ทางอันนั้นอันใดเป็นอันใดอันหนึง่งถ้าเป็นงูเราก็หลบถ้าไม่ใช่งูเราก็ข้ามไปได้ <c oughs> นี่เห็นมีสติเห็นกายในกายกายหลอกไปได้ เริ่มต้นได้คําตอบจากกายว่ากายสักว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาด้วยคนนี้เราไม่ฝึกกิจของเราบังกิจแล่นไปง่ายๆไปจุ่มไปติดเอาอะไรจากกายเป็นตัวเป็นตน ต, ตามกายเยอะแยะนะไปติดมันเป็นแล่นไปมีเสร็จเรื่องของกายไปถึงกิจเรื่องของกิจไปถึงกาย ที่จะทำให้ต่อให้แล่นไปกว้างใหญ่ไปสารเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโอปทานเป็นกิเลสตันาเป็นความชอบไม่ชอบแล่นไปทั้งนนมันไปซึมไปติดง่ายง่ายนะเราจะมาหัดเราจะมาหัดแต่มันไม่แล่นไปมันเห็นมันเห็นมันไม่จุ่มมันไม่ติดเหมือนใบบัวอันไม่ติดน้ําแม้มันอยู่ในน้ํามันไม่ติดน้ํามัน คือใบออกรับฝนรับน้ำแต่มันไม่ติดน้ำคนไม่สติก็มันก็ไม่ติดอารมณ์ไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์มันก็เห็นนะมันเห็นแบบนี <c> ้ <oughs> เห็นกายในการแล้วมันก็เห็นเวทนาที่มันโชวเวทนามันโชมันโชทํทำให้เราหลงตรงนั้นด้วยเวทนาคือความสุขความทุกข์ เพราะเก็บเพราะปวดเพราะเมื่อยเพราะอะไรเยอะแยะเรื่องของกายันเรียกว่าเวทนาเวทนาคือมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายนั่งนานๆมันอาจะปวดจะเมื่อยมันโชว์บอกมันบอกเราว่านี่คือเวทนามันปวดมันเมื่อยมันสุขมันทุกข์มันอะไรเยอะแยะอยู่กับกายทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์มันโชวโช กายธรรมชาติธรรมดาไม่ได้มันโชเวทนาให้เราเห็นเราก็เป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาเวทนามันเป็นเวทนามันเป็นเวทนาในเวทนาแต่มันเป็นเวทนาเฉยๆเป็นเวทนาเฉยๆมันก็เป็นอาการแต่ว่ามันเป็นเวทนาในเวทนาเราก็ไปเอาสุขเอาทุกข์ในเวทนาไปเอาออ ไหวเอาไม่ไหวเอ า, เอายากเอาง่ายกับเวทนาเวทนาในเวทนามันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นสักว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเหมือนเหมือนกันกับกายคำตอบเหมือนกันคำตอบเหมือนกันมันก็แสดงเหมือนกันเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา เป็นอาการเป็นธรรมชาติของเขาไม่มาเป็นยุ่งเป็นยากไม่มาเป็นผิดเป็นถูกฉันทาไม่ได้ฉันปวดหลังปวดเอวนั่งไม่ได้เดินไม่ได้เขาไม่ดีจนยอมถ้าเห็นเป็นเวทนาเวลาใดที่มันแสดงก็ตอบได้ไม่ไม่แล่นไปไกลไม่ไปจุ่มเอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะมีสติ สติมเมื่อเกิดถอนตัวออกมาเหมือนช่างตกหล่มมันถอนออกมามันไม่ไปจุ่มอยู่ในหลม่มเหมือนกับคนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาวางทีเวทนานี่อทําให้เราติดเวทนาทําให้เราชอบทําให้เราไม่ชอบบางทีก็ไปชอบเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปสือไปหามา ไปป่นไปจี้เอาเพื่อได้เวทนาบางทีก็ปฏิเสธอ่ามันไม่ใช่เวทนาที่มันเกิดขึ้นเกับกายกับกิตก็ดีมันเป็นทุกเป็นทุกข์คนเห็นแจ้งมันคือเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุ ค, คลตัวตนเราเขาสติฉเฉลยไปอย่างนี้ผอมรู้สึกคนาราลึกได้ถ้ามีมากนะ ท้ามีพลังของความรู้สึกความระลึกได้มันจะนจะข้ามล่วงมันลดมีกำลังมันขึ้นเขามันมีคุณภาพไม่มันมีประสิทธิภาพชีวิตจิตใจของเราสร้างให้มันมีประสิทธิภาพคือความรู้สึกความระลึกได้เนี่ยมันเป็นประสิทธิภาพมันมีความ แข็งแข็งแกล่งในความแข็งแกล่งมีสมรรถนะความคงตัวดีนะความรู้สึกความระลึกตายขนส่งไม่ให้ไปติดกับอะไรนี่แต่ตัวลู้ตัวลู้สึกตัวลู่ไปกิดแล้วก็โชว์ให้เราเห็นมันคิดมันเล่นไล่นไป แต่ว่าอย่าทําใหม่ๆอย่าไปคุมจิตฝึกกายฝึกนี่ไปก่อนมีสติเห็นกายไปก่อนอย่าไปคุมจิตเมื่อเราฝึกกายมีสติไปในกายแล้วเหมือนกับเราดัดดัดไม้ที่มันคดเห็นเขาไปตัดไม้ไผ่ที่เอามาทําให้มันตรงเขาก็ โลนโลนไปเอาความร้อนโลนไปเมื่อไม้มันถูกความร้อนก็อ่อนเพียงดัดนิดเดียวมันก็ต้องดัดแล้วดัดอีกโลนไปแล้วโลนไปดัดไปดัดบ้างก็ตรงยูยูจะไปดัดเลยไปได้ ม, มันมีวิธีมีวิธีที่จะต้องดัดเหมือนกับเขาดัดเหล็กเหมือนกันเขาต้องทำให้ร้อนทำให้แรงคนตีมีด ตีเหล็กเขาก็ทําให้เหล็กมันอ่อนเผาไฟการปฏิบัติธรรมคือการเหมือนกับการตีเหล็กเผาไฟความรู้สึกความระลึกได้มันทําให้อะไรอ่อนไปหมดเลยมันดักง่ายชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอดไปทนไปบังคับไปอดเอาความกโกรธอดเอาความ โลภความหลงอดเอาความทุกข์อดเอาไปใช่ไม่ได้อดอมันมีวิธีที่ทําให้มันหมดไปได้ ม, มีวิธีที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปได้เริ่มต้นจากมีสติเห็นกายมันค่อยกระทบกระทือนไปเห็นจิตความคิดความจิตที่มันคิดคิดความคิดของจิตที่ไม่ได้ตั้งใจมันทุกข์สนมาก แต่ก่อนเราอาจจะไม่เห็นความคิดของเราที่หยิบเหมือนเรามีสติพอมามีสตินี่มันเห็นมันเห็นนิดหน่อยมันก็เห็นเหมือนน้ำที่มันนิ่งอะไรนิดหน่อยมันก็เห็นปลาซิวปลาอ่าอีดปลหมัดตัวเล็กๆล็บอนมันก็เห็นถ้าน้ามันนิ่งแต่หน้ามันไม่นิ่งอ่ไม่จะเจ้าอะไรค่ลอยอยู่มก็ไม่เห็นถึงคลื่นในทะเล แต่น้ามันเนี่ยเขาดูเห็นหมูปลาปลาอะไรต่างๆแล้วเขาก็มีเครื่องเลดาที่ส่องหาส่องหาอาศัยเครื่องมือแบบนั้นอานฝึกคิวิตจิตใจของเราเนก็เหมือนกันมันสามารถที่จะมองเห็นได้ถ้ามีสติสมัมปชัญญะมันจะเกิด ศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดปัญญาอย่างลู่ได้เหมือนกันเรื่องของกายเนี่ยลู่หมดลู่ครบรู่ท่วนอันนี้มันเป็นแบบนี้ว่าแต่เราเจริญสติสร้างสติไปก่อนไห้ลู่สึกกายไปก่อนเห็นกายดูกายก็เห็นจิต ด, ดูคิดก็เห็นธรรมดูปัญหาก็มีปัญญาดูทุกข์ก็เห็นไม่ทุกข์ไปทันไปทันที เห็นจิตที่มันคิดไปรู้สึกตัวไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปห้ามมันบางทีเราไม่รู้ไปห้ามไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบบังคับลงไปหลับตาลงไปบริกรรมลงไปไม่เอาหัวเราะความคิดได้เลยอ้ามันมาอิสระจฉาเกิดขึ้นเรารู้สึกตัวกับตั้งไว้ที่กายไม่แย่แสกับมันความคิดมันจะแล่นไปถึงไหนมันเกองนะเวลาเราปฏิบัติ เลือนสถียรรากฏว่ามันแซงหน้าแซงหลังความคิดเนี่ยอย่าไปกลัวมันอย่าไปมีปัญหาเพราะความคิดคิดจิตก็สักวัยจิตอ่ะไม่ใช่มีตนอยู่ในความคิดกูคิดกูไม่คิดกูสงบกูไม่สงบอย่าไปอย่าไปให้มีความรู้สึกแบบนั้นมันจะคิดเราก็รู้สึกวันดีแต่มันไม่คิดเราไม่เห็นจิตเมื่อที่มันคิดมันแสดงให้เราเห็น มันไม่แสดงให้เราเห็นเราก็ไม่รู้ต้องให้เขาแสดงให้เขาเคลื่อนไหวจึงจะรู้มันมันก็เราไปหาปลาหานกหาสัตว์ที่มันอยู่ในป่าถ้ามันไม่แสดงเราไม่เห็นมันหรอกเป็นเลีงเนี่ยว่ามันขึ้นต้นไม้แต่มันไม่แสดงเคลื่อนไหวเราไม่เห็นมัน มันไปนั่งอยู่ตรงไหนเห็นสมัยนั่งไป <c oughs> อยู่สวนโมกขียาเป็นเป็นค้างค้างเยอะสมัยก่อนเวลามันออกมาเล่นก็มาเล่นเวลามันไปนอนขึ้นไปต้นไม้ใกล้ๆกล้กัเต๋หาอย่างไรก็ไม่เห็นมองหาไม่เห็นเลยไม่ใช่ตัวเดียวค้างต้องหลายหลายตัวขึ้นไปต้นไม้ต้นเดียวมองไม่เห็นมันไม่เคลื่อนไม่ไหว พรมันเคลื่อนมันไหวเราจึงก็เห็นมันจึงรู้ว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้ความคิดอะไรก็ตามที่มันแสดงกายก็ตามจิต ก, ก็ตามที่เขาแสดงออกทําให้เรามีสติไม่ใช่เป็นปัญหาอย่าไปมองเป็นปัญหานะอะความปวดความมื่อยความร้อนความหนาวโยงกัดความง่วงเหงานอนความคิดลังเลสงสัยไม่ใช่ปัญหา มันจะเป็นปัญญาเพราะมันแสดงให้เราเห็นอหัวเราะไปเลยยิ้มไว้ยิ้มรับไปเลยโอ้มนคิดเนาะหัวเราะความคิดตัวเองบ่าเอ้ยเนี่ยเรานั่งอยู่นี่มันคิดไปโน่นมันแล่นไปโน่นก็เห็นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนความคิดมันเป็นกิตที่มันคิดมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่สติเห็นเป็นคําตอบอันเดียวกันทั้งแต่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมก็เหมือนกัน ความง่วงเหงาห่อนอนอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตจิตมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตมันมันมันแสดงออกทางอารมณ์อารมณ์มันไม่ใช่จิตจิต ก, ก็ไม่ใช่อารมณ์เป็นศักแต่ว่าจิตบางทีเราไปเอาสุขเอาทุกข์พราะจิตกันแต่เอาโกรธเอาโลภเอาหลงไปเอาลักเอาชังพรจิต อ, อ่ามันหอ่อผิวเราไปความคิดเนี่ย เราก็เลยถูกเป็นขี้ค่าของความคิดมันคิดโกรธโกรกมันคิดแล้ว ก, ก็ลอกมันคิดชั่งก็ชังมันคิดสุข ก, ก็ฉุกมันคิดทุกข์ก็ทุกข์เกิดจากกิจเป็นสุขเป็นทุกข์โอ้ถูกหลอกก่อนานทั้งสามสิบปีอ่ามันใหญ่ไปดันลือือห็นพอมีสตินี่สติรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีไม่ถูกกิจหอบหิวไปไง่ายๆรู้สึกตัวรู้สึกตัว ไม่รู้ยังไงเราเคลื่อนไหวอยู่นี่พลิกมือเอามือเขวมอเขาทันทีพอมันคิดก็มารู้สึกตัวกลับกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวปฏิบัติก็คือกลับมากลับมาไหนกลับมารู้สึกตัวอะไรก็ตามที่มันจะแล่นไปไหนจากกายจากกิจจากรูกจากรถจากกลิ่นจากเสียงจากตาจากหูโอ้ไม่เกี่ยวกลับมารู้สึกตัวมือเคลื่อนไหวมือเขะมอโขดปั๊บกลับมาตั้งแล้ว ตั้งที่ได้แล้วไม่งอนแย น, นคอนแจนกลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆปฏิบัติคือกลับมามันจะเก่งตนกลับมานี่นะปฏิบัติทำถ้าไม่รู้จักกลับมาไปกับมันเลยเนะ่ยไม่เก่งนะยิ่งอ่อนแอไปเลยยังไงยังไงก็กลับมาการกลับมาลูกกลับมาลูกแล้ววิธีที่เราทํำในมันโอ้ยเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบของยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบา เพราะว่ามันกลับมาได้เก่งๆมือก็มีพิกมือเคลื่อนไหวมือเนี่ย ก, กับเขียวเลยเนาะมันมีสิ่งที่ช่วยเราอยู่เรียกว่าวิธีรูปแบบพระุทธเจ้าหรือว่าบัพพะสัมปัญญะบัพพะกายบัพพะบัพพะคือมันเคลื่อนมันไหวสามารถที่จะรู้ได้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวฟรีๆเกตนาใส่ใจเพิ่ม ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกเข้าไปโอ้เรานะมันมีเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงแรงร่วมแนวร่วมของทำให้เกิดพลังเยอะแ ย, ยะเลยความรู้สึกตัวเหมือนกับลดแรงหลายแรงอย่างเขาบอกขุดสระวัดป่าสุขโตลดสองร้อยกว่าแรงขนหินขนดิน เนียวเหนยวดินหล่มหลมดันขึ้นไปรถวางคันไม่ถึงสองร้อยก้อนแดันไม่ไหวต้องใส่น้อยๆใส่ดินน้อยๆปีนป้านั่นก็ไม่ไหวต้องเอาไปติดเอาแมโ่โคผักก้นเข้าไปดึงเข้าไปมันไม่มีแรงอันนี้การปฏิบัติธรรมของเรานะอาศัยตัวเราไม่ต้องไปเรียกล่องใครมาช่วย ฉันคิดช่วยฉันด้วยหลุงพ่อฉันโกรธช่วยฉันด้วยฉันทุกข์ช่วยฉันด้วยไม่มีเลยคํำพูดแบบนี้ความคิดแบบนี้ใช่ไม่ได้มันจะหลงเราก็ช่วยตัวเองมันจะโกรธมันจะทุกข์เราก็ช่วยตัวเองไม่มีทางช่วยตัวเองกลับมากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเราทําได้ห่ะได้ด้วยได้จริงๆริงเอามารู้สึกตัวเนยเป็นของที่ทําได้ทุกคนพัฒทํานี่ปฏิบัติได้อย่างที่เราสอน ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติผู้ใดมีสติผู้ใดไม่มีสตนะิก็อยู่กับเรามันอยู่กับเรามันอยู่กับการกระทำไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนอานปฏิบัติทำการบรรลุทำไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนแม้แต่บุญกุศลมกผลในพรานไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนเด็ดขาดถ้ามัวแต่ไปอ้อนวอนอยู่เนี่ย กีพบกี่ชาติก็ไม่ถึงมากถึงผลต้องมีการกระทํากรรมนี่มันจะจําแนกไวเองกรรมจาแนกไ ป, ำำกไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมสอนเรื่องกรรมคือการกระทําใครก็ช่วยเราไม่ได้ะคําสอนที่เป็นสัจธรรมต้องสอนให้เราเพิ่งตัวเราถ้าคาสอนอะไดสอนให้พึ่งคนอื่นเสียงอื่นว่าตัวอื่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจึงมาทําด้วยฝีมือของเราเอากายของเรามีกายมาแล้ว มีครบแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรามารมไม่มีใครเป็นครูอาจารย์เราหมหลวงพ่อหมู่พระสงฆ์เป็นแต่เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรช่วยท่านไม่ได้ท่านทุกข์เราก็ช่วยท่านไม่ได้ท่านสุขเราก็ไม่มีผลกับท่านด้วยทุกข์ก็ท่านเองสุขก็ท่านเองตัวใครตัวมันเราจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยนะ เพถึงมักถึงผลได้เหมือนกันเนี่ยบอกอยู่นี่สอนอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ได้บอกได้สอนเราก็เพอทําอยู่นี่กา ร, รส่งเสียนการบริเทพการอะไรต่างๆอยู่นี่ช่วยกันเพราะบางรูปมาเตะข้องตีบอกเวลาชวนกันมาปฏิบัติธรรมทาให้ดูร่วมกันอยู่นี่เนี่ยทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังนี่คือกันระยะนามิตรอเราต้องทําเราต้องฝึกตรงหัด ของงอหงอหอนอนมู้นั่นน่ะเราเรียกว่าธรรมมันสิ่งมามันเป็นสิ่งที่ว่าครอบมั่มครอบมั่มชีวิตจิตใจเยอะแยะเรามาเปิดมาลื้ออกแต่ก่อนมันปิดเรามาเปิดแต่ก่อนมันคว่ำเรามาหงายขึ้นให้มันเห็นเปิดกายเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนาเปิดออกแล้วออเวทนาเนี่โอ้ยแต่ก่อนเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนา แบบ น, นี้มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาเปิดออกแล้วหลอกไปได้กิจก็เหมือนกันสักว่ากิจไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาแต่คนที่หลงกับความกิจมากมายมันเป็นสายบังเหียนทุกเราทื่นเราอันเดียวเกิดสุขเกิดทุกข์ชอบไม่ชอบอ่ะมันแต่เด่นอะมันพ้นปิ้หลอกลวงมดเท็จที่สุดแต่กิจยงไม่ฝึกเน่ย อ่มร้อยุ่มดีผู้ผู้แฟบแฟมีกิดก็พึ่งกิดไม่ได้ไม่มั่นใจที่สุดคือกิดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับกิจมันเป็นไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เด็ดขาดออกมาดูออกมาดูมามีสถิมาดูมอเห็นมันมอเห็นมันมันจะได้บรรลุธรรมตรงนี้หลือได้บรรลุธรรมตรงที่กายได้บรรลุธรรมที่ตรงเวทนาได้บรรลุธรรมที่กิได้บรรลุธรรมที่ธรรม มันเป็นเอามามันเป็นวัสดุมันเป็นที่เกิดสติปัญญาแต่ก่อนโล่งู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายแต่ก่อนโล่งู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนาแต่ก่อนโล่งู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะก่อนคิดแต่ก่อนโล่งู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะธรรมบัดนี้เรามามีปัญญาเพราะกายมีปัญญาเพราะเวทนามีปัญญาเพราะกิจมีปัญญาเพราะธรรมเปลี่ยนมาเป็นปัญญา ปัญหามาเป็นปัญญาปัญญามาเกิดอย่างนี้นะความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาปัญญาไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาจำโน่นได้เยอะจำพระูตรได้เยอะพะัะใดไปดกแปดมื่นสี่พันเรื่องจำได้หมดเหมือนพระโปโกติระโปอะไรน ะ, ะจำบ่ได้ะปะโกชิระหรือก็ <c oughs> อชื่อของฟะจำ เ, เนี่ยเป็นความจำจำได้หมดเลยพระไตรปิฎกข่มคู่คนอื่นไปที่ไหนยกผูชูตัวอันรู้อันหล่นฉันรู้มาถามฉันเสี่ยมาถามฉันไอที่ไหนพระสงฆ์หลบหลีกไม่มีใครกล้าสอนโอ้ยอาจารย์โกทีละจำพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าจำได้แม่นที่สุดเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้า พูดคาเดียวภิกษุไบาลานเปล่ามาแล้วหรือโธชีลก็พ อ, อกราบาพระพุทธเจ้าจะกลับไปโธชีละไบาลานเก่าเป่ากลับไปแล้วเลยนี่ที่พูดฉะนั้นเออเราทาไงนะไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่สละเสิร์นเลยเราจุดสารเรียนพระตไตรปิฎกจาได้แม่นที่สุดเลยทาไมว่าเราเป็นภิกษุไบาลานเปล่า ก็คิดก็อยากกะก็ไม่มีใครสนเสริญมีแต่คนกลัวไปทางไหนมีแต่เพื่อนกลัวอะโกนทีละไปในเพื่อนหลบหลีกไปเลยกลัวคนมีปัญญามากสามารถที่ครอบาำคนอื่นนะมันก็เลยรู้ตัวเองว่าโอ้ใครก็ไม่สนเสริญเราจะไปหาใครเป็นอาจารย์เนะเราในเป็นอาจารย์ของคน อยากมีอาจารย์อยากปฏิบัติธรรม <c oughs> นะก็ไปอยู่ในสํานักไปขอให้อาจารย์สอนอาจารย์ก็บอกไปเขียนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกให้อาจารย์ไปหาอง์นี้ไปหาองนั่นไปตอไปตอไปตอไปตอไปแถวอาจารย์นั่งเป็นแถวเนี่ยไม่สอนเลยบอกไปองตอ์ต่อไปอกต่อต่อไป ไปหาเนนองสุดท้ายนะ้เนนน้อยอ่าเรามันลดที่ฐีมานะ่ะลงแล้วมันไปหาเนนน้อยเนนน้อยสอนอผมด้วยจะให้ปฏิบัติยังไงเนนน้อยก็พาลงไปสะนุนสุขโตก็ไม่สะลึกแต่นี่ไม่ไมลึกดอกน้มยังไม่เต็มขุดใหม่จากหน้าดินลงไปตั้งสามเมตรนะ น้ำที่มีอยู่ยมันทั้งสามเ <c oughs> อ็ดอ่าน่น้อยก็บอกอาจารย์โคเทลลงไปในน้ำอาจารย์ลงไปในน้ำนอนพาดสังขารติอยู่เนี่ยทําวัดอย่างนี้แหละเอาพาออกผ้าไ อ, อกมไม่ไม อ, ออกออกลงไปทั้งตัวเลยอาจารย์โกคเทลก็ลงไปในน้ําน้าเพียงเอวเอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีกน้าเพียงหน้าอกพอไหมไม่พอลงไปอีกน้าเพียงคอเอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีก น่าเพียงปากกู้อะไรบ๊บบบบบอบบบบน้อยก็บอกขึ้นมาแสดงว่าโพชิระลดที่ติมานะยอมแลว้ววะนะจําพระไตรปิฎกได้เยอพอขึ้นมาทั้งผ้าทั้งเปียดเอ็นน้อยก็บอกว่ามันมีจอมปลวกจอมหนึ่งมันมีรูอยู่หกรูมีเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกนั้นจะอยากแก้ได้เหี้ยตัวนั้นจะทํายังไง อาจารย์โกทิลาก็ตอบได้ทันทีก็ได้บรรลุธรรมแันละตอบยังไงโยมตอบได้ไหมเราอเอ่เรามาตอบแล้วนะเยอะเลยเรามีลูกมีเมียไม่ได้มีของมีความรักความชังเมตตามีหูจมูกเล่นกายใจเล่นงานแต่ตัวลูกเข้าไปลูกเข้าไปโอ้ก็วลูกสึกตัวมันก็ปิดใส่สํารวมเลย อาหูจะหมกเล่นกายใจสํารวมลงมาสติอินรีเลยวนเป็ดเข้าไปว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตาก็ไม่ได้ใช่ลรอใช่ก็ไม่ได้แล่นไปไกลหูก็ไม่แล่นไปไกลกลับมารู้สึกตัวก็พว่ารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวนี่โกธีละขุดเหี้ยได้แม้จอมปลวกมันจะมีตั้งหกรูมันสามารถที่จะออกได้ ก็ต้องสมรวมรู้ว่าสติอินทรีย์สติอินทรีย์แต่ก่อนตาหูจมูกลี้ยนมันเป็นใหญ่ตามันก็เป็นใหญ่หูมันก็เป็นใหญ่จมูกมันก็เป็นใหญ่ลี้นก็เป็นใหญ่กายก็เป็นใหญ่ใจก็เป็นใหญ่บัดนี้มามีสติเป็นใหญ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมาสร้างตัวนี้นะอย่าเอาสมองอย่าไปใช้ความคิดเหตุผลอย่าไปเอาความชอบไม่ชอบเอาที่ยงไปก่อนเอาการกระทําเสียก่อน เอาการกระทำแต่ก่อนตัวใครตัวมันทํายังไงจึงจะรู้สึกตัวต่วเอววตเนื่องเพราว่าต่อเนื่องเน่ยเป็นโซ่เราไม่ใช่เหล็กเส้นนะเป็นโซ่นะเป็นเปาะเป็นเปาะรูหนึ่งมันก็จะอยมันเอามือเคาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราพิกมือเนี่ยรูรูรูรูรูรูไม่ใช่ทําให้สวยให้งามอ่อนซอยไม่ใช่นะตัวรูเป็นตัวเด่น ถ้าพลิกมือไม่ลู่ไม่มีประโยชน์อะไรเดินจงกรมถ้าไม่ลู่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกลับมาลู่ให้ได้ใส่ใจให้ได้เพิ่มความรู้สึกตัวสัมผัสกับความรู้สึกตัวกับกายความรู้สึกตัวกักกบจิตกับใจอะไรก็ตามใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตั ว, ว, รตวเรามาหัดตรงนี้ถ้าไม่หัดมันไม่เป็นนะตอนจะเอาความรู้มาโอ้ยจําได้แ ล, ล้วล่ะหลวงพ่อพูดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอยได้ของปลอมมาจำเอาได้ของปลอม อย่างหลวงพ่อเทศเมื่อวานตอนเช้าอ่ออ่าอ่านเออ่ไม่มีใครอัดเทปบันทึกเทปในได้บางคนเสียดายเสียดายโอ้ยจะไปจาเอาไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคำพูดที่หลวงพ่อพูดมันไม่ใช่ต่ของเราเนี่ยก็มีบันทึกไปแล้วเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเก็บไปแล้วโอ้หลวงพ่อบอกให้เพกเมื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็ทําเป็นไม่มีใครทําไม่เป็น สิบสี่จังหวะสิบี่ลูกทุกคนทำเป็นลู่ลู่ลู่ไนะได้ยินบ่ฮะหรือว่ามาแต่นั่งง่วงเหงาหอนอยู่เอ่าผมก็พยายามพูดให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังให้ได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ให้ได้เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วไม่ให้ลังเลสงสัย ทำให้จิตเราผ่องใสเกิดสติปัญญาอาศัยการบอกการสอนพระพุทธเจ้าประกาศาศาสนาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มีผู้บอกมีผู้พูดมีผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติทําให้มันเกิดอยู่กับเราอันนี้นะตัวใครตัวมันน ะ, ะสร้างเอาสร้างเอาเราดูตัวเราถ้ามีสติไม่มีความลับในตัวเรา ถ้าขาดสติมีความลับไปหลบนอนหลบไหนก็ได้บางทีอาจารย์ไม่เห็นไปหลบนอนไปสูบุรี่ไม่ได้นะคนสูบุรี่ก็เป็นเรื่องของเราหายตัวเรารู้ตัวเราใครก็หลอกไม่ได้แต่เราหลอกตัวเรายิ่งหลอกไม่ได้แต่คนอื่นอาจจะหลอกได้หลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไปได้เพราะรู้ตัวแล้ววันี้เปิดเผยแล้วชีวิตเปิดเผยแล้วดูตัวเองละอายตัวเองคิดก็ละอายแล้ววัน แต่ก่อนแม่ละอายไม่กระทั่งความคิดอะไคิดอะไรก็ได้นะบัดนี้มีสติแล้วแม้แต่ความคิดก็ละอายโอ้ยคนหัวลูกเปลนอะไรที่มันคิดเนี่ยบางคนอ่ะพอมายกมือสร้างแนว่าโอ๊ยคิดถึงลูกสองคนของก็หนูมีลูกสองคนแสามีของหนูเกิดปุติเหตุตายไปจะมาปฏิบัติจากนี้จะเลี้ยงลูกไรหรือเนี่ยคิดใจเไมันไม่ใช่มาคิดเรื่องลูกมาปฏิบัติน่ะ อาคิดมันมีประโยชน์เลยลูกสองคนอยู่บ้านแล้วมาปฏิบัติถ้ารักลูกก็ต้องทำตัวให้มันดีรักหัวรักเปียก็ต้องทำตัวให้มันดีรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักพิษรักเพื่อนก็ทั้งทำตัวให้มันดีไม่ใช่รักโดยความคิดความคิดบางทีมันก็ใช่ไม่ได้คิดถึงกันจนอาไลาอาวรเจ็บปวดต้อตาว่วงน้ำตาไหลาไม่มีประโยชน์ต้องทำตัวให้มันดีอย่าทำอะไรยังเป็นทุกข์ เป็นคนมีความรู้สึกตัวมั่นใจมั่นคงอย่างนี้นี่คือความรักพระพุทธเจ้าเป็นยอดรักรักขึ้นรักแบบนี้ไม่เอากายเอากิจไปทำความชั่วเด็ดขาดนี่สุดยอดเลยปฏิบัติรรเนาเอาลนะเนาะตอนเช้า ว, วันนี้ก็สมควรใช้เวลาพวกเราก็กลับพระพอรมกัน